นี่คือการเปิดตามที่ถูกปิดภาพออนไลน์ตอนนี้เอพิซอดที่7จ็ดสิบหอัลมาพระไพบุญและคุณหมอรัตพงศ์อยู่ไหนล่ะครับครับมัสการครับอ๋อครับหมอรัตพงศ์นี่เป็นเอพิซอดที่76แล้วครับผมพระเจ้าเคยตรัสไว้อย่างนี้ว่ า, อ, าอันนี้สง5์อย่างของการที่โทษ5อย่างของการที่พูดมากเกินไปครับนะโทษ5อย่างนี่ก็คือว่าคนที่พูดมากเนี่ยนะมันจะเสี่ยงต่อการที่ผู้เทศ แล้วก็พูดมากนี่มันก็จะเสี่ยงต่อการที่พูดเพรสเชอด้วยพูดคำหยาบด้วยพูดส่อเสียดด้วยเราก็จะพูดมากเกินไปนี่จะต้องซ้ำซ้ำซากๆนี่เราก็จะต้องไปเมื่อตายไปเนี่ยย่อมเข้าถึงนรกกาหนดเดจานเปรตวิสัยคือถ้ายิ่งพูดมากไปก็ยิ่งจะมีข้อผิดมากเพราะฉะนั้นในวันนี้เอพิส od ที่16ของเราเราพูดน้อยๆกันเราออกแค่นี้แหละจบละแต่วันนี้ต้องการจะบอกท่านผู้ฟังว่าอย่าพูดมากถ้าพูดมากเราผิดมากตอนที่บันบายมาเนี่ย ที่อธตมาพูดไปผิดก็มีถูกก็มีเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้เราพูดได้ห น, อ ย, หนอยเอาแค่นี้พอเนาะครับมันก็ค่อยพบเป็นใหม่ในตอนต่อไปออ oh. ครับ <laughs> อ่าเทฟยนพานครับกรับรัการครับ